ข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดดามานดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจพวกเราทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่นี้หลายร้อยชีวิตในชีวิตที่พวกเรา้ากันมีอยู่ก็คือการต่อสู้ หมายความว่าชีวิตแปลว่าการต่อสู้การต่อสู้นั้นก็ต้องมีแพ้มีชนะชีวิตของเราจะได้รับใช้ชนะหรือไม่อยู่ที่พวกเราจะแก้ไขตัวของเราเองถ้าเราแก้ไขตัวของเราไม่ได้ ชีวิตของเราก็ได้รับการพ่ายแพ้พ่ายแพ้ถ้าเราแก้ไขชีวิตของเราได้เราก็ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเวไนยสัตว์คืออยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนานั่น คือการเดินทางในทางที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่จะได้รับความสำเร็จชีวิตของเวนัยสัตว์ที่คำว่าเวนัยสัตว์นั่นก็พระอยู่ในหนทางที่ดีแล้วเรียกว่าเป็นสาวก ส, สาวิกาของพระพุทธเจ้า ทางที่เราจะเดินไปนั้นก็คือพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่แล้วการเดินทางไปจะถึงช้าถึงเร็วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพากันปรับปรุงตัวของเราบางคนชอบเร็ว วางคนก็ชอบชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตของเราในชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เราได้รับชัยชนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะพึ่งไปดีใจไว้ก่อนเพราะว่าเราคิดว่าเราชนะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เริ่มจะแพ้แล้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามารทั้งหลายที่เข้ามารุมล้อมเราอยู่นั้นมีมากมีมากจนกจะทั่งเรานั้นจะต้านทานไหวหรือไม่ไหวบางครั้งบางคราวนั้นมันก็พาพวกมาอย่างมะหรือมา ที่จะเข้ามาทำลายบางครั้งมันก็เข้ามาเร็กแต่ว่ากินลึกบางครั้งมันก็เข้ามาอย่างสวยงามทำให้เราหลงไหลสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพวกขวางกัน้นการกระทำความดี การที่มีสิ่งมาขวางกัน้นกรรมการเกิดทำความดีนั้นมันเป็นของธรรมดาทั่วไปแม้แต่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าพระองค์ก็โดนพวกมันมาแล้วตอนที่พระองค์จะสเสด็จออกจากราชบัลลังก์มาถึงในระหว่างทางแห่งหนึ่งมานมันก็เข้ามายืนขวางทางทันที บอกว่าดูก่อนสิท ธ, ธะอย่าได้ออกไปเลยไปบวชอีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจั ก, กระพัดแล้วแต่ว่าพระสิท ธ, ธะก็ไม่ได้หลงกลมานพระองค์ก็บอกว่าเองจงหลีกไปแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบวชแล้วได้สําเร็จสมพระไทัยปรารถนา เช่นเดียวกันกับพวกเราที่กำลังต่อสู้ในขณะนี้เราก็กำลังที่จะไล่พวกนี้ให้ออกไปจากเรามันจะมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่เราไล่มันออกไปเพื่อที่จะให้ตัวของเรานี้เดินทางไปอย่างสะดวกและสบายแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราท่านทั้งหลายต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรต้องมีความบากบันเพราะการกระทำเหล่านี้เปรียบเหมือนกันกันกบปิ่งคอกขึ้นภูเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกแรงเต็มที่มิชนั้นขึ้นไม่ได้ซึ่งกงกันข้ามกับ ก, บการปิ้งคอกลงจากภูเขา ไม่ต้องออกแรงปล่อยก็ลงพวกมานต่างๆเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนกิ้งคอกลงภูเขาที่เราพากันใช้ความอดทนเปรียบเหมือนกับกลิ้งคอกขึ้นภูเขาเพราะฉะนั้นการมาทําความดีจึงต้องมีการเสียสละเรียกว่าเราต้องเสียสละในตัวของเราอย่างมหันอันนั้น มันจะนอนสบายก็ไม่นอนนั่งซะมันจะกินสบายก็ไม่กินอดมันซะมันอยากเล่นเราก็เอาตัวของเราหลีกเลี่ยงจากการเล่นเหล่านั้นซะมันอยากคิดพยาปาทอาฆาตจองเวรอยากคิดความโลภความโกรธความหลงเราก็นึกขจัดมันออกไปหรือเรียกว่า เราขจัดออกไปจากจิตไม่ให้มันหลงเหนืออยู่นี่แหละเราจรึงจะได้มาคือหมายความว่าเราได้บัทอรกำลังมันไปเมื่อเราบัทฑรกำลังพวกมารเหล่านี้หนักเข้าหนักเข้า น, านี่ตัวของเรานี่จะกลับกลายเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าหาประมาณไมได้ยิ่งขจัดออกไปได้มากเท่าไหร่ ตัวของเรานี้จะกลับกลายเป็นผู้ทรงคุณค่าเหลือล่อนพ้นประมาณท่านพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติตัวของท่านท่านปฏิบัติลบล้างพวกมารต่างๆไปแล้วเรียกว่าคยจัดไปเคาจัดไปในที่สุดตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีค่าขึ้น ยิ่งท่านขาจัดได้มากเท่าไรตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการที่บุคคลได้ขจัดหรือเสียสละได้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีพวกความโลภความโกรธความหลงกองกิเลสอาสวะต่างๆออกไปนั้นย่อมจะปรากฏแก่สายตาของบุคคลโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาทิพย์ เทียงตาธรรมดาเท่านี้ก็รู้แล้วว่าผู้นั้นได้ทรงคุณค่าเพียงใดในการที่เขาได้ขจัดสิ่งที่เรียกว่าอาสวะกองกิเลสออกไปถึงแม้ว่ายังขจัดไม่หมดขจัดออกไปหน่อยหนึ่งขจัดออกไปมากขึ้นขจัดออกไปมากขึ้นตัวของเขานั่นแหละกับกลายเป็นสิ่งที่ เรียกว่ามีคุณค่ามหาศาลเมื่อพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติเช่นนั้นก็ปรากฏว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ได้พากันมองเห็นคือมองเห็นแล้วคุณค่าของท่านต่างกันก็หลั่งไหลไปกราบไปไหว้ต่างก็พากันหลั่งไหลไปเคารพนบนอมต่างก็พากันไปหลั่งไหลขอรถพระศิธรรม สารพัดเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อคจัดสิ่งที่ไม่ดีคุณค่าเกิดขึ้นตาธรรมดาธรรมดาก็รู้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวของเราเองนั้นก็เช่นเดียวกับพระอาจารย์โดยทั่วๆไปท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดท่านก็สามารถที่จะ สร้างคุณค่าให้แก่ตัวของท่านเองได้ทุกทุกท่านทุกคนชั่วแต่ว่าเราจะทําหรือไม่เราตั้งใจจะทําเราก็ทําถ้าหากว่าตัวนี้กลับไกลตัวของเรานี้กลับกลมาเป็นคุณค่านั้นจะมีความสุขจะมีความสบายมีความอิ่มเอิบหรือจะมีความทราบซึ่งหรือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ความสุขหาประมาณไม่ได้ที่ว่ามีความสุขหาประมาณไม่ได้นั้นก็เพราะเหตุผลของการที่ได้ขจัดอาสวะกิเลสนั่นเองก็กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอย่างพวกเราทั้งหลายปรารถนากันทั้งสิน้นที่เราพากันปรารถนานั้น เราก็ปรารถนาความสุขความสำเร็จเราจึงได้ตะเกียรติกายหากันกระทำด้วยวิธีการต่างๆด้วยยุทธะวิธีของตนแต่ละบุคคลเพื่อที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขเอามาให้แก่ตัวของตนให้มากที่สุดแต่ว่าเทพากันพยายามที่จะใช้ ความพยายามยุทธวิธีของตนแต่ละบุคคลนั้นเพื่อที่จะต่อสู้แทนที่จะได้รับความสุขสมกับความปรารถนาแต่ก็ไม่ได้รับเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเดินทางผิดแล้วคือแทนที่จะกำจัดอาสวะกิเลสแต่ว่าไปเพิ่มพูนมันขึ้นความโลภยังน้อยไปเพิ่มความโลภมันขึ้น ความโกรธมันน้อยไปเพิ่มความโกรธมันขึ้นความหลงมันน้อยไปเพิ่มความหลงมันขึ้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่จะได้รับความสุขเลยก็กลายเป็นความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่ตนของตนก็ใช้ความตะเกียบตะกายต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อความสำเร็จแก่ตนแต่ว่าการต่อสู้เช่นนั้น เป็นการต่อสู้เพื่อสะสมอาสะวะกิเลสเพื่อความโลภความโกรธความหลงเพื่อความอาฆาตพยาบาทจองเวนสารพัดที่จะพยายามกระทำขึ้นด้วยหวังความด้วยหวังความที่ตนจะได้สำเร็จที่ตนต้องการและปรารถนาเมื่อหันมาถึงการที่พวกเราเป็นเวไนยสัตว์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพุทธบริษัทนี้เป็นเวนยสัตว์เมื่อเราหันกลับมาใช่วิธีการขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเสียสละจะสละอะไรสละความโลภสละความโกรธสละความหลงเสียสละเพื่อตนและบุคคลผู้อื่นตั้งจิตมีเมตตา เฉลี่ยความสุขของตนเพื่อแบ่งปันบุคคลผู้อื่นอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้ที่เราจะทำลงไปคราวนี้แหละก็จะต้องประสบพบเห็นบุคคลทั้งหลายก็จะพากันมองเห็นโดยตาเปล่าว่าคนนี้เขามีเมตตามหาศาลคนนี้เขามีกรุณนามหาศาลคนนี้เขามีเสียสละมหาศาล คนนี้เขาได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีโอบอ้อมมีจิตใจที่มีความรมุนรม่ำ ม, มีจิตใจที่เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ไม่ต้องใช้ตาในใช้เพียงตานอกมองดูคนนั่นก็เรียกว่าวิเศษแล้วย่อมเป็นผู้ที่ทรงไว้แล้วซึ่งคุณธรรมเขาจะเป็นใครก็ได้ ผู้นั่นย่อมจะต้องได้รับการยกย่องนับถือจากผู้คนโดยทั่วไปก็เพราะเหตุแห่งความดีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีจุดประสงค์และเราทำให้ถูกจุดประสงค์ได้เรานั่นแหละที่จะได้รับชัยชนะแห่งชีวิตอย่างไรก็ตามผู้ที่จะดำเนินไปได้ถูกต้องจริงๆ จิตของเราต้องได้รับการควบคุมจิตของเราต้องได้รับการฝึกฝนถ้าหากว่าเราสามารถจะฝึกฝนสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเอาไว้ได้เรานั่นแหละที่จะเดินหนทางไปสู่หนทางที่ประสบผลสาเร็จในการเป็นเวเนยสัตว์ การที่เราจะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าเอโกอายังพิฆเวมกโกดูก่อนเพี้ยสูตรทั้งหลายผลทางมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอีกทางเดียวเท่านั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็จะต้องเกิดขึ้นมาจากสัมมาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเรียกว่าอันดับท้ายแต่ว่าการที่จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้อง อาศัยองค์มรกอันดับท้ายก็คือสัมมาส ม, มาธิสัมมาส ม, มาธิได้แก่การฝึกจิตของเราการฝึกจิตนั้นก็มีวิธีการที่จะฝึกหลายๆอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าการจะฝึกจิตด้วยวิธีไหนรวมผลที่สุดแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของการที่ฝึกจิตนั้น ก็คือการทำจิตให้เป็นหนึ่งทำอย่างไรความเป็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละเป็นการที่ทำสมาธิก็เรียวกว่าเป็นสัมมาสมาธิความเป็นหนึ่งที่จะเกิดได้เกิดไดจากการบริกรรมเรากำหนดจิตบริกรรมพุทโธเป็นตน้นในที่สุดจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้ว หลายครั้งหลายคราวเข้าจิตนี้ก็จะเกิดพลังงานหรือเรียกว่าพลังจิตพลังจิตที่ก่อตัวขึ้นจากน้อยๆลงไปหาความเป็นหามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละจะ ก, กลับกลายเป็นการสร้างสมาธิขึ้นเป็นอัตโนมัติคือเรียกว่าอัญญมัญังอาศัยสึ่งกันละกันเหมือนกันกับเมล็ดผลไม้ อาศัยแผ่นดินแผ่นดินอาศัยมาเล็ดผลไม้อัญยญมันยังอาศัยซึ่งกันและกันสมาธิที่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นก็อาศัยพลังจิตพลังจิตก็ต้องอาศัยสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัญญมันยังอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ทำสมาธิ ที่ถูกต้องก็คือการสร้างจิตของเราให้เป็นหนึ่งการฝึกจิตของเราให้เป็นหนึ่งแล้วก็ทําไปในระยะยาวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าภาวิตโตหูริกระโตจะเจริญให้มากกะทําให้มากไม่ว่าจะที่ใดก็ตามพระองค์จะแสดงลงไปเลยว่าจเจริญให้มากกระทําให้มากไม่ว่าพราะองค์จะแนะนําบุคคลผู้ใดพระองค์ก็จะ ตรัดคำนี้แล้วว่าเจริญให้มากกะทําให้มากประดุจว่าฝนที่ตกลงมาจาก้องฟ้าสู่ผืนแผน่นดินมันจะทยอยตกลงมาเม็ดทีล ะ, ล, ละเล็กละเล็กละเล็กละน้อยแต่ว่าเมื่ออาศัยการและเวลาน้ําก็เต็มสมควรแก่การพอใช้พอใจเรียกว่ามีน้ําเหลือเผื่อแม้ว่าน้ําฝนจะตกลงมาเล็กๆน้อยๆฉันใดก็ดี การที่เราจะฝึกจิตของเรานั้นเราไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยให้เราจนมากเพราะว่าการตั้งข้อสงสัยให้เรานั้นมันเป็นวิจิกิจฉามันเป็นสิ่งกลางกั้นความดีของเราที่จะไม่ให้จิตนี้มันเจ้าไกลต่อไปก็ด้วยความที่ด้วยความที่จิตอันนี้ก่อความสงสัยเพราะความสงสัยอันนี้เขาเรียกว่านิวรณ บางคนทําไปก็พยายามที่จะไปเที่ยวถามใครต่อใครสารพัดทํออาอย่างนี้ดีไหมทําอย่างนั้นดีไหมเ อ, อ๊ทําอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีบางคนอย่างนี้เคยทํามาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะก็มาบอกว่าไม่เคยเออทามานิดหน่อยอยากจะมาลองพูดลองภูมิสารพัดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์เพราะฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปตั้งข้อสงสัยให้แก่ตัวของตนเองเพราะว่าการที่จะเดินทางไปหรือว่าการทาสมาธินั้นมันมีข้ออยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นพูดกันสองสามคำเป็นอันว่าเข้าใจได้ที่ว่าพูดกันสองสามคำเข้าใจได้นั้นก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นหนึ่งผูดเท่านี้ควรจะรู้แล้ว แล้วจิต ท, ที่จะเป็นหนึ่งจะทํายังไงถึงจะเป็นหนึ่งต้องบริกรรมบริกรรมมากๆเข้าจิตก็เป็นหนึ่งข้านี่ก็รู้แล้วสมควรแก่การที่เราจะรู้เข้าใจแล้วถึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปว่ากันให้มากเกินไปนี่ว่ากันถึงขั้นตน้นเมื่อเวลาที่จิตของเรามันสงบลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็เรีย ก, กว่าจิตเกิดพลังงานขึ้นเยอะเรีย ก, กว่ากำลังเยอะ เพราะว่าอย่างคนที่ยังไม่ชำนาญก็ต้องเอาแบบมาซะก่อนมากลางออกไปแล้วก็เขียนตามนั่นแต่ถ้าหากว่าชำนาญแล้วเรื่องอะไรจะต้องเอาแบบมากางหลับตาก็เขียนได้ชั้นใดก็ดีความชำนาญของจิตนั่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมแล้ว เรากำหนดจิตก็ถึงที่เลยก็เป็นอันว่าได้พลังจิตไปในตัวอันที่เรียกว่าพลังจิตนั่นอ่ะคือเป็นกระแสหรือเรียกว่ากระแสจิตหรือเรียกว่าเป็นกระแสธรรมอันนี้ที่มันเกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันจะต้องรวมตัวก็มันที ล, ล, ละเล็กกต่น้อยจนกระทั่งมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นเมื่อมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นมันก็ควบ ควุมกันเองที่เรียกว่าอัตโมติเรียกว่าอัตโนมัติมันควบคุมกันเองสติควบคุมสมาธิสมาธิควบคุมสติก็ต้องไปอย่างนี้เรียกว่าควบคุมตัวมันเองเดินเดินทางไปเองขยายตัวออกไปเองอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดกันถึงความจริงไม่ต้องไปบัญญัติ คือไม่ต้องไปบัญญัติว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตยฌานไม่ต้องไปบัญญัติกันละพูดกันว่าจิตมันสงบเป็นอันว่าใช้ได้จิตมันเป็นหนึ่งเป็นอันว่าใช้ได้อย่างนี้เมื่อเราฝึดจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละจิตอันนี้มันก็จะเกิดคือเกิดอะไรเกิดความจริงเกิดความจริงที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ หรือเรียกว่ามรรคหรือเรียกว่าสัจธรรมที่นี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็ให้ดําเนินย้อนกลับมาถึงองค์หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคือการเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแน่มันก็มาอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อริยรรสัจสี่นั้นมันก็เป็นชั้นวิปัสสนา ดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจสีก็เรียกว่าดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาสเพสังขาร า, าอานิจจติสังขารท ok ั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสเพสังขาร า, าทุกขาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนสเพธัมมาณตาติสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวทำทั้งหลายไม่ไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่เที่ยง สังขารเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนญาดาปัญญายะปัสติบุคคลผู้ใดมาเห็นอัฏานิบินติทุกข์คจากนั้นผู้นั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมะโควิสุทธิยานี่คือหนทางไปสู่อริยมรรคคือหนทางบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อจะดำเนินอริยสัจหรือว่าจะดำเนินวิปัสสนา ก็พูดกันไม่มากพูดกันสองสามคำก็เป็นวิปัสสนาแล้วคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารนิ่มเป็นของไม่เที่ยงร่างกายสังขารนี่มมันเป็นทุกข์ทำทั้งหลายคือสัพพวัตถสูตรทั้งหลายล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในเบื้องต้นทำค่าไปในทากลางแตกกรหลายในที่สุดไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะพึง ควบคุมมันได้มันจะต้องเป็นไปตามภาวะนั้นการที่จะไปเห็นเช่นนี้ขึ้นมาได้นั้นก็ต่อเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนจนมีพลังมีกระแสจิตพิจารณาเห็นแจ้งกระจ่างขึ้นมาเกิดความเบือนไนขึ้นมานี่แหละเรียกว่าเป็นหนทางแห่งวิปัสสนาที่กล่าวมาข้างต้นคือสมถะ กล่าวมาต่อมาก็คือวิปัสนามีสมถะมีวิปัสนาสองอย่างนี้เท่านั้นก็ไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปกล่าวอะไรต่ออะไรมากมายอันที่เรียกว่าน้ำท่วมท่วงขักบุ้งหลงเหล ง, ลงพูดกันไ ป, ไปตามเรื่อเเชะไปตามเรื่อ เหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนั้นในเมื่อเราฝึกจิตของเราเข้าที่พอฝึกจิตเข้าที่แล้วที่นี้ก็มีอย่างเดียวจเจริญให้มากจะทำให้มากเรื่อยไปเหมือนกันก็เราขับรถอย่างนี้พอถือพวงมาลัยพับมีถนนวิ่งไปเรื่อย ไม่ต้องไปอีนังขังข้ออะไรบางคนขับรถไปอย่างนี้พูดนอนก็พูดนี่สารพัดมันไม่จำเป็นเมื่อเราจับพวงมาลัยแล้วก็ตามทางแล้วทีนี้ข้อสำคัญที่สุดนี่เราจะฝึกหัดขับได้ยังหรือว่าเรารู้จักวิธีขับพวงมาลัยจับพวงมาลัยหรือยังเรารู้จักวิธีมันหมดทุกอย่างหรือยัง ถ้าเรารู้จักมันหมดทุกอย่างแล้วจับรถขับไปแล้วก็วิ่งไปเถิดไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงไม่ต้องไปคิดว่ามันจะถึงหรือเปล่าไม่ต้องคิดว่ามันถูกหรือผิดต้องไปเที่ยวถมยุ่งเยิงไปเปล่าแต่ว่าเมื่อขับได้แล้วนี่ก็ตรงรีบไปเลยเหมือนกันกับคนที่ทำจิตอย่างนี้เมื่อกำหนดจิตเป็นสมาธิแล้วกำหนดได้ดีแล้วถูกต้องแล้ว มีพลังจิตแล้วมีกำลังจิตเกิดขึ้นแล้วเดินเลื่อยไปเดินเลื่อยไปโดยที่ไม่ต้องไปพาวะกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นเรียกว่าพาวิโตพาหุรีกโตเจริญให้มากก็ทำให้มากต่อไปก็สมาธิกันต่อไปอีก